นนทิททาไยเจ้าหญิงกับมังกรนิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับเจ้าหญิงองค์หนึ่งแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดเธอไม่ใช่เจ้าหญิงที่รอคอยเจ้าชายรูปงามมาช่วยนางเธอไม่เหมือนเจ้าหญิงทั่วไปเธอกล้ า, าหาญนานมาแล้วพระราชาและพระราชินีอยากมีทายาทเขาทั้งสองจึงเข้าไปในป่าวิเศษ เพื่อขอพอรจากยูนิคอนท่านยูนิคอนข้า ม, มาเพื่อขอพอราจากท่านได้โปรดมอบทายาท ใ, ให้แก่เราขอให้ท่านทั้งสองมีลูกสาวผู้จะนำพาซึ่งความสุขมาสู่ชีวิตพวกท่านยูนิคอนให้พรแก่พวกเขาไม่นานเจ้าหญิงก็เลื่อมตาดูโลกพระราชาและพระราชินีดีใจเป็นอย่างยิง่ง เออลูกแม่ข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่าไวโอเล็ต <c oughs> เจ้าหญิงไวโอล เ, เล็ต <c oughs> เจ้าหญิงไวโอล เ, เล็ต <c oughs> เจ้าหญิงถูกสอนให้รู้จักการต่อสู้เหมือนดังเจ้าชาย <c oughs> เช่นขีม่ม้าฟันดาบป้องกันตัวเองและอีกมากมาย <c oughs> เจ้าหญิงออกกำลังกายเป็นประจำ และทานอาหารครบห้ามู <c oughs> พระราชวงศ์อยู่กันอย่างสงบสุขจนกระทั่งวันหนึ่งคนสงสารของพระราชาได้เข้ามาแจ้งว่า <c oughs> เมืองเพื่อนบ้านไม่ทำตามข้อตกลงและเตรียมบุกโจมตีเมืองทั้งเมืองต่างตื่นกลัวเพราะพวกเขาไม่มีทหารพอสู้รบ พระราชาไม่ค่อยสบายเจ้าหญิงไวโอเลตได้ยินท่านพ่อและท่านแม่พูดคุยกันเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากราชาทอมทหารของท่านสามารถช่วยเราชนะสงครามนี้ได้นะข้ามองไม่เห็นทางออกทหารฝ่ายตรงข้ามนั้นเก่งมากแม้แต่ทหารของราชาทอมก็คงช่วยเราไม่ได้ยังไงก็ต้องลองดูเจ้าพูดถูกนะ พรุ่งนี้เช้าข้าจะไปเอง <c oughs> ท่านพอ่อท่านไม่สบายข้าจะไปขอความช่วยเหลือเองข้าเชื่อในตัวลูกให้เธอไปเถอะได้เลยตอนที่ข้าไมา่อยู่ท่านต้องเตรียมทหารไว้ให้พร้อมเสนาเอกข้าขอมอบหน้าที่ให้ท่านดูแลพระราชาและราชินีแทนข้าด้วย พยะค่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงถือดาบและโล่และขึ้นบนหลังมา้าและออกเดินทางระหว่างทางเจ้าหญิงแวะพักที่หมู่บ้านชาวบ้านได้กล่าวเตือนให้เจ้าหญิงฟังท่านข้ามไปอีกฝั่งของเขาไม่ได้มีมังกรอาศัยอยู่ถี่นั่นและมังกรจะกินท่านหากท่านพยายามเข้าทำ ไม่มีใครได้กลับออกมาจากที่นั่นเลยแม้แต่ทหารข้าไม่กลัวสิ่งใดในโลกนี้ข้าจะข้ามภูเขาลูกนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมังกรอาศัยอยู่ในถ้ำมาหลายพันปีแต่ไม่มีใครเคยเห็นตัวมันลมหายใจร้อนของมังกรเผาไหม้ทุกสิ่งอย่างรอบถ้าพืชไม้ไม่สามารถจเจริญงอกงามได้เจ้าหญิงตัดสินใจเข้าหามังกรโดยไม่ใช้อาวุธใดๆ ก่อนผู้นักเกรงขามข้านําดอกไม้มาให้กับท่านคืนนี้ข้าขอพักอยู่ในถ้านี้ได้ไหมพรุ่งนี้เช้าข้าจะออกเดินทางต่อข้าต้องช่วยเมืองของข้าไม่เช่นนั้นบ้านเมืองจะตกอยู่ในมือคนชั่วนะ่ะเจ้ามังกรก้มตัวลงมาดมช่อดอกไม้มันชอบดอกไม้มากมันยิ้มให้กับเจ้าหญิง ชื่อว่าฟิโอโน่าเจ้าช่างกระหารเช่นข้าเลยนะเจ้าเป็นคนแรกที่มีน้ำใจมอบของขวัญให้กับข้าเชิญตามสบายเลยคืนนั้นเจ้าหญิงเล่าเรื่องของเธอให้บังกอนฟังเช้าวันต่อมา เจ้าหญิงเดินทางออกจากถ้ำและสัญญากับมังกรว่าอีกสองวันเธอจะกลับมาพระราชาผู้ทรงรรมเมืองของข้ากาลังตกอยู่ในอันตรายได้โปรดส่งทหารไปช่วยเราเจ้าเด็กโง่ข้าจะส่งทหารของข้าไปตีเมืองเจ้าเจ้าจะต้องทนเห็นเมืองของเจ้าพังพินาศ พระราชาทอมจับเจ้าหญิงคัไว้ในหอคอยข้าไม่น่าไว้ใจท่านเลยปล่อยข้านะไม่อย่างนั้นท่านจะต้องเสียใจ <g lig> พระราชาทอมไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้ น, นฟิโอน่าขขาอยู่นี่นใช่พลังสาวแกรงฟิโอน่าคำรามด้วยความโกลน เธอพ้นไฟในอากาศพระราชาถมและทหารทุกนายคุกเข่าลงให้เธอเจ้าหญิงขังลุงของเธอและออกคำสั่งให้ทหารมุ่งหน้าไปที่ปราสาทของเธอไปกันเถอะฟิโอนาเราไม่เคยเห็นเจ้าหญิงที่กล้าหารเช่นนั้นเราจะขอสู้รบไปกับท่านเจ้าหญิงไวโอเล็กกลับมายังปราสาทพร้อมกับทหารเจ้าหญิงปกป้องเมือง ป้องเมืองได้พระราชาและพระราชินีและเสนาเอกไว้ได้พระราชาบอกเจ้าหญิงว่าทหาได้หนีเอาตัวรอดกันหมดเหลือเพียงเสนาเอกที่ไม่หนีไปไหนแต่ถูกจับตัวไว้ขณะต่อสู้เอาละปีเตอร์เจ้าคิดออกหรือยังว่าอยากจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนไม่ใช่ข้าได้ช่วยปกป้องเมืองนี้ไว้แต่เป็นเจ้าหญิงข้าแต่นี่บุญคุณ น, นางข้าเคารพนับถือในความกล้าหาญของเจ้าหญิง ข้าอยากจะแต่งงานกับเจ้าหญิงหากนางยินยอมลูกข้าเจ้าจะไหวย่างไงข้ายินดีเพคะท่านพ่อเขารักษาสัญญาที่ให้ไว้กับข้าโดยม่ห่วงชีวิตตัวเองข้าขอมอบเจ้าหญิงและครึ่งหนึ่งของเมืองให้กับเจ้าสืบเนื่องจากความกล้าของเจ้าเอง ฟิวเตและเจ้าหญิงไวเอเร์เแต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปพวกเขาช่วยกันปกครองอาณาจักรเดี๋ยวก่อนแล้วเจ้ามังกรละ่ะฟิโอนกลับไปอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นบ้านของเธอและเธอไม่ทําร้ายใครอีกเลยฟิโอน่าปลูกดอกไม้รอบๆถ้ำและอยู่กับลูกมังกรน้อยอย่างมีความสุข <c oughs> ฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ